ตอนที่95้า้าเงินนี้ให้ไม่ได้ยังยืนบื่ออะไรอยู่ตรงนี้หรือจะให้ฉันไปจัดคลังสินค้าเองนิงช้างเฮอตะวัดด่าด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดเซวีเฉิงใช้กับจินมานทั้งไม่กล้าปริปากอีกรีบไปทา ง, งานทันทีเสียหวานถ้าเธอถูกรังแกรหรือลาบากใจอะไรต้องบอกลุงนะถ้าเธอไม่พูดลุงจะไปแก้แค้นให้เธอได้ยังไง นิ้งชังเหอมองเด็กสาวตรงหน้าด้วยความชื่นชมเธอไม่เพียงแต่ฉลาดแต่ความคิดความอ่านยังโตเกินวัยหากเป็นคนอื่นที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้คงร้องให้ไปนานแล้วแต่หลีหวันกลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อครูท้าเซวีเฉิงใช้ไม่หลุดปากพูดออกมาเขาก็คงไม่รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนิ้งชังเหอมองว่าพวกเขาสองคนคงจะว่างจนเกินไปถึงได้เอาแต่สนใจเรื่องไร้าสาระ หลีหวานไม่ได้ขัดผลประโยชน์อะไรพวกเขาเลยแต่กลับมองเด็กสาวตัวเล็กๆ เ, เป็นศัตรูแทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนาความสามารถของตัวเองนิ้งชังเหอถอนหายใจหากทุกคนมีพรสวรรค์เหมือนหลีหวานเขาคงไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจแบบนี้เรื่องเล็กน้อยคะ่ะหลี่หวานยิ้มอย่างไม่ใส่ใจนูไปตรวจนับสมุนไพรก่อนนะคะดีนิงชังเหอพยักหน้าเบาๆขณะที่เธอกำลังจะเดินจากไปเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงร้องเรียกไว้ เสวันความคิดที่เธอให้ลุงคราวก่อนไม่เลวเลยนะตอนนี้ลุงติดต่อผู้เสียหายได้เจ็ดแปดคนแล้วพวกเราเตรียมจะฟ้องไอ้คนแท้ซุนนั่นพร้อมกันเพื่อเรียกค่าชดเชยที่พวกเราเสียไปตลอดหลายปีนี้คืนมาให้หมดเท่าแก่คะหืมเรียกเท่าแก่มันดูหังเหินเกินไปลุงก็น่าจะอายุพอๆกับพ่อของเธอเรียกฉันว่าท่านลุงเถอะนิงชังเฮิพูดขัดขึ้นมาคาก็เท่าแก่สองคก็เท่าแก่ฟังแล้วมันขัดหูพิกท่านลุง ลิวันปรับตัวได้อย่างรวดเร็วสําหรับเธอและคําเรียกขานเป็นเทียงหัวโขนไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่าแก่ซุนคนนี้ไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลของหนูมาจากไหนคราวก่อนเขาส่งคนสองคนมาดักหน้าหนูโชคดีที่พี่ชายของหนูมาช่วยไว้ทันหนูเดาว่ามันต้องมีครั้งต่อไปแน่ๆการล้างแค้นหากยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ย่อมไม่เลิกรา ง, ง่ายๆมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอน้ําเสียงของหนิงช้างเห่อเข้มขึ้นตอนนั้นทําไมเธอไม่บอกลุงเพิ่งนึกได้คะ่ะ ลุงละยอมใจเธอจริงๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตตัวเองแท้ๆกลับเพิ่งจะมานึกไดเอาป่านนี้นิงช้างเหอไม่รู้จะตำหนิเธออย่างไรดีเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเสียแล้วในเมื่อกล้าลอบล้างแค้นหลีหว่านลับหลังไม่แน่ว่าเป้าหมายต่อไปอาจจะเป็นเขานิงช้างเหอไม่กลัวคนแซ่ซุนนั่นหรอกแต่เขามีครอบครัวต้องดูแลอย่างที่โบราณว่าไว้คนไม่มีอะไรจะเสียย่อมไม่กลัวคนที่มีพันธะดูท่าว่าเรื่องนี้จะปล่อยผ่านไปง่ายๆไม่ได้ไม่อย่างนั้นอาจจะโดนลอบกัดเข้าสักวัน แววตาของหนิงช้างเหอหม่นลงเอาเธอลุงเข้าใจแล้วเรื่องนี้ลุงจะแก้แค้นให้เธอเองวางใจได้ความจริงแท้จะแก้แค้นก็ไม่ยากค่ะเท่าแก่ซุนคนนี้ขายของปลอมให้พวกคุณในมือเขาต้องมีสมุนไพรปลอมอยู่อีกไม่น้อยแน่นอกจะจะให้เขาชดเชยความเสียหายแล้วพวกเรายังสามารถแอบไปแจ้งความลับหลังได้ให้เขาตั้งตัวไม่ติดเมื่อเขาพินาศยายับจนไม่มีเงินเหลือแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมาคิดเรื่องแก้แค้นอีกละ่ะหลิวหวานเสนอแนะหนิงช้างเหิรพยักหน้าอย่างจรงิงจังอืมดีเอาตามที่เธอว่านั่นแหละงั้นหนูไปทํางานก่อนนะคะ หลี่หวานตั้งใจว่าวันนี้จะรีบทํางานให้เสร็จเร็วๆเพื่อจะได้กลับบ้านไว้หน่อยหนิงช้างเหอไปเถอะแต่ความเป็นจริงพิสูจน์ให้เห็นว่าหลี่หวานประเมินความสามารถของตัวเองสูงไปนิดสมุนไพรที่หนิงช้างเหอนําเข้ามาครั้งนี้ไม่ใช่จํานวนน้อยๆแถมยังมีหลากหลายชนิดรวมแล้วกว่าสิประเภทและที่สําคัญที่สุดคือสมุนไพรเหล่านี้ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทีละชิ้นถึงจะผ่านเกณฑ์หลี่หวานยุ่งตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายแม้แต่ข้าเที่ยงก็ยังต้องกินในร้าน เวลาเลิกงานคือห้าโมงครึ่งหลีหวานเตรียมตัวจะกลับบ้านเธอไม่ได้สังเกตว่าตอนนี้ในร้านแทบไม่เหลือคนแล้วเซวีเฉิงใช้จึงเดินเข้ามาขวางหน้าเธอไว้โดยตรงมีธุระอะไรน้ำเสียงของหลีหวานแฝงไปได้วยความเหนือ่อยล้าเธอไม่อยากจะเสียเวลากับเซวีเฉิงใช้จริงๆฉันขอเตือนเธอไว้ก่อนนะต่อหน้าอาจารย์ของฉันให้ระวังตัวหน่อยคำไหนควรพูดคำไหนไม่ควรพูดก็ต้องรู้จักคิดให้ดียังไงซะฉันก็อยู่กับอาจารย์มาหลายปีแล้วในใจท่านน้ำหนักของลูกศิษย์อย่างฉันย่อมมากกว่าเธอแน่นอนแล้วยังไงต่อ